ทีนี้เพึงทราบวินิจฉัย ใ, ในบาปประกรรเหล่านั้นโดยอาการหกอย่างคือโดยสภาวะนะครับสภาวะของการล่วงศีลด้แก่อะไรเป็นต้นนะโดยอารมณ์โดยเวทนาโดยมูลโดยกรรมแล้วก็โดยผลบรรดาอาการทั้งหกอย่างนั้นนะครับโดยสภาวะเนี่ยนะครับปาณาติบาตเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นสภาวะของเจตนาอย่างเดียวที่คิดจะล่วงนะเจตนาที่คิดจะล่วงนะครับ เป็นเป็นตัวบาปประกรรมเป็นตัวผิดศีลผิดธรรมนะครับเน้นไปที่เจตนาอนั้นแล้วก็เจตนานั้นก็ยังเป็นกรรมด้วยนะครับสามารถให้ผลนำปฏิสนธิในภพต่างๆนะครับโดยเฉพาะ อ, อบายทีนี้ถ้าว่าโดยอารมณ์นะครับปานาทิบาตมีสังขารคือมีชีวิตตินซีเนี่ยเป็นอารมณ์นะครับคือคาว่าสังขารในที่นี้หมายถึงแยก บัญญัติกับปรมาทนะครับคำว่าสังขารก็หมายถึงปรมัาทนั่นเองเพราะนั้นปานอาทิบาตมีปรมาทเป็นอารมณ์อย่างเดียวคือมีชีวิตตินทรีย์เป็นอารมณ์ส่วนอาทินาทานก็มีสัตว์เป็นอารมณ์บ้างมีสังขารเป็นอารมณ์บ้งางแล้วแต่ว่ารักคนรักสัตว์หรือว่ารักทรัพนะนะครับเพราะฉะนั้นบางทีลักคนนี่ก็เป็นอาทินาทานเหมือนกันเช่นรักทาสกรรมกรเป็นต้นนะนะส่วนมิจฉาจาร์นะครับผิดกรรมกาเมเนี่ยนะ คือมีสังขารเป็นอารมณ MM ์ด้วยอำนาจโพธพารมณ์แต่าอาจารย์บางท่านก็บอกว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์นะครับมุสาวาทเนี่ยนะครับมีสัตว์เป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์แล้วแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยพูดถึงใครนะครับถ้าพูดถึงสัตว์ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์พูดถึงสังขารก็มีสังขารเป็นอารมณ์ส่วนการดื่มสุราเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์เพราะมีโพธะใช่ไหมครับน้ำลก็มีไอ้น้ำอ่ะนะโพธะะนะ คือมีสังขารคือมีปรมัจตเป็นอารมณ์อย่างเดียวนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับว่ามีสังขารเป็นอารม์หมก็คือมีปรมัจตไงว่าเล่าเนี่ยนะครับโดยสีโดยกลิ่นโดยโพธาภะแต่ทีนี้ถ้าล่วงลำคอก็เน้นไปที่โพธาภารม์นะครับอ่านะทั้งระสารมโพธาภารม์แต่ถ้าล่วงลำคอก็คือโพธาพารม์นั่นเองคําว่าสังขารในที่นี้หมายถึงโพธาภารมณ์นั่นเองเกี่ยวข้องกับอะไรกับสังขารหักฐานไหมออกคําว่าสังขารเนี่ย แปลว่าป aramat นะครับสังขารตรงนี้เป็นชื่อของปรมั m a t นะเพียงแยกให้เห็นว่าเป็นมีอารมณ์เป็นป aramat หรือมีอารมณ์เป็นบัญญัติเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้หมายถึงร่างกายด้วยเพราะว่าคนทั่วไปเขได้ยินคำว่าสังขารก็นึกถึงร่างกายสังขาร ก, าขาก็คือน้าเมา น, นั่นเองคือมีน้ําเมาเป็นอารมณ์นะว่าโดยเวทนานครับการฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับปานาติบาตมีเวทนาเป็นทุกข์นะครับฆ่าด้วยโทสะอย่างเดียวนะครับส่วนอธินนาทานนี่มีเวทนาสาม คือทารักด้วยโทสะก็มีนะครับทารักด้วยโทสะก็เป็นทุกข์ทารักด้วยโลภะก็เป็นอุเบกขาแล้วก็เป็นโสมนัสมิจฉาจาร์นะครับประพฤติผิดในกามนี่ก็คือมีเวทนาสองคือสุขเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาสุราบานก็เหมือนกันคือมีเวทนา2เหมือนกันนะครับสุขเวทนาและก็อุเบกขาเวทนาดื่มเหล้านะก็บอกว่า แต่ทั้งสองอย่างคือมิจฉาจารและสุราบานเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเวทนาเป็นกลางๆลางคือทอุกขมสุขเวทนาด้วยจิตที่เป็นเหตุให้ตกลงใจอเดื่มสุราเนี่ยนะฮะผมผมตอนเป็นเด็กเนะี่ยผมตกบังคับให้ให้ดื่มสุรานะลามล่วงเข้าป่าเข้าไปในี่ยเขามนุษย์มันมันผู้อืดผู้อมมันเหนม็นมันเอ๊ะมันน่าจะมีโทสะอยู่ด้วย น, นี่ไม่มีเนาะไม่เป็นนั้นนะเน้นขณะที่ดื่มเข้าไป เน้นครับดื่มที่ล่วงลาคอไปนะครับออขณะที่ตั้งใจดื่มนะขณะที่ซดไปอนะเ อ, อเอาขณะนั้นเท่านั้นเองนะครับแ ล, แล้วตอนที่ทาหน้าเยะเกนน้ก็คนละขั้นตอนกัน ล, ออละ <c oughs> ครับ <c oughs> ที่นี้ต่อไปว่ามูสาวาดมีเวทนาสามคือหมายคำว่าบางทีก็มูสาวาดด้วยโทสะเช่นกลัวนะครับ <c oughs> เด็กๆเนี่ยนะกลัวเขาจะตีก็เลยมูสาวาดด้วยโทสะเป็นต้นนะ บางทีนักพูดทั้งหลายแลลวก็อาจจะด้วยโสมนัสนะครับหลอกไปอะไรไปด้วยโสมนัสหรืออุเบกขาเรียกว่าหลอกหน้าตายนะก็อุเบกขาไปครับทีนี้โดยมูลนะครับมูลคือเหตุปัจจัยนี่นะครับปานปฏิบัตินี่มีมูลสองด้วยสามารถแห่งโทสะและโมหะนะครับว่าตัวรากรากของการฆ่าเนี่ยนะอธินาทานและก็มุสาวาตมีมูลสองด้วยโทสะโมหะ หรือว่าโลภะและโมหะคือมีมูล2แต่ว่า2ในในที่1 ห, หมายถึงว่าด้วยโทสะและโมหะในที่สองด้วยโลภะและโมหะส่วนกาเมสุมิชฉาจารและสุราบานนั้นมีมูล2คือโลภะและโมหะนะครับอันนี้ก็พวกนัพิธรรมทั้งหลายก็จะได้วิเคราะห์ถูกนะครับว่าโดยกรรมบรรดาบา ป, ปรกรรมทั้ง5นี้มุสาวาตเป็นวจีกรรมนะครับ ส่วน4ศีลสีข้อเนี่ยนะคือปฏิบาติอธินาทานการเมสุมิฉานจานการดื่มน้ำเมาเนี่ยนะครับก็เป็นกายกรรมทั้งหมดว่าโดยผลทุกๆข้อมีผลให้เกิดในอบายได้ทั้งนั้นนะครับทุกข้อเลยนะทำให้ตกนรกได้หมดเลยทาเกิดเป็นปรียสุรกาศาสาเดระนั่นได้หมดเลยและถึงในสุขติก็ให้ผลไม่น่าปรารถ น, นานานาชนิดมีความเป็นผู้มีอายุน้อยเป็นต้นนะครับ ถ้าหาว่าบาปรกรรมทั้ง5้าของการเพียรศีลหมาให้ผลนะนะเพราะฉะนั้นเึงทราบวินิจฉัยในบา ป, ปรกรรมเหล่านี้โดยสภาพเป็นต้นดังพนรนามานี้บทว่าอปติวิราตาได้แก่ไม่เป็นผู้เว้นขาดนะครับคือเพราะไม่มีการสมาทานและไม่มีสัมปัตตวิรัตนะครับคนไม่มีศีลคือคนที่ไม่ได้สมาทานศีลแล้วก็ถึงประสบพบก็ไม่เว้นนะครับเรียกว่าคนไม่มีศีล พทธศิลาวะคือเพราะความว่าถักจากนั้นไปก็เป็นคนไม่มีศีลเพราะไม่มีแม้เพียงเบนจะศีลคือไม่มีแม้แต่ศีลห้าบทว่าปาปรธรรมมาความที่ลามกคือมีอาจาระที่เลวทรามบทว่าปานาติปาตาปฏิวิรตโตนี่ก็กล่าวถึงผู้มีศีล น, นะครับในสูตรที่ว่านะรครับที่สูตรว่าพ่อแม่เป็นคนไม่มีศีลแต่ลูกมีศีลอันนี้เรียกว่าอะไรอติชาตบุตรเป็นต้นนะครับ นี่ก็กล่าวถึงลักษณะของบุตรที่มีศีล น, น, นะว่าปาณาตาิปาตาปฏิวิรตโตก็คือผู้ที่งดเวรคือตั้งอยู่ไกลาจากปานาติบาเพราะการสมาทานศิขาบทนะครับคือศีลมีเพราะตั้งใจสมาทานนะครับที่จะประพฤติในศีลทั้งห้าข้อทีนี้ในที่นี้พึงทราบวินิจฉัยโดยสภาวะของศีลทั้งหลายนะครับสภาวะของศีนอารมณ์ของศีนเวทนาของศีลมูลของศีลกรรมโดยกรรมของศีล น, นะครับ โดยการสมาทานแล้วก็โดยการขาดโดยผลแห่งการรักษาศีลทั้งหลายนะครับหรือเวรมณีนะครับการงดเวนเน้นนะว่ามีสภาวะเป็นต้นอย่างไรโดยสภาวะแล้วนะครับเวรมณีทั้งห้าเนี่ยนะครับเป็นเจตนาบ้างเป็นวิรัตบ้างแต่เทศนามีมาแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งวิรัตนะครับคือถ้าเป็นที่อื่นพระ อ, องค์ก็แสดงทั้งเจตนาเว้นขาดจากปานาติบาต นะครับเว้นจากปาณ า, าติบาตบ้างนะครับทั้งเจตนาเอยทั้งวิรัตเอยที่อื่นๆนะนะแต่เฉพาะในสูตรนี้เน้นที่วิรัตวิรัตของผู้ที่เว้นจากปาณาติบาตที่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าในสมัยนั้นนะครับได้แก่ ก, การงดการเว้นจากปาณ า, าติบาตดังนี้นะครับคือกล่าวถึงตามสิก ข, ขาบทวิพังนะครับในคำภีวิพัง์ การงดการเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นนะครับโดยประเภทนะครับของวิรติหรือวิรัตเนี่ยนะครับมี3ามอย่างคือสัมปตตะวิรัตอย่างหนึ่งสมทานวิรัตอย่างหนึ่งสมุทเฉดวิรัตเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับบรรดาวิรัติสามอย่างนั้นวิรัตที่เกิดแก่ผู้ไม่ได้สมทานศิกขาบทมาก่อนเลยนะครับแต่พิจารณาเห็นชาติวัยและความเป็นหูสูตรเป็นต้น ของตนแล้วก็ไม่ฝ่าฝืนวัตถุที่มาประจบเข้าด้วยคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะแก่เราที่จะกระทําดังนี้ชื่อว่าสัมปัตกวิรัติบางคนนี่เรียกว่าดีโดยอัธยาศัยนะถึงเจออะไรพอจะให้ผิดศีลผิดธรรมก็ก็ไม่ร่วงก็ไม่ละเมิดนะครับถึงได้เหตุก็ไม่ทํานะครับคือว่าคนดีโดยอัธยาศัยนะครับอย่างเช่นพวกฝรัง่งบางคนเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ทำก็ไม่ฆ่าสัตว์นะครับในขณะเดียวกันก็รณรงค์ให้ให้มี ให้ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยเป็นต้นนะครับหรือว่าบางคนก็ปลารบชาตนะครับบางคนก็ปลารบวัยบางคนก็ปลารบความเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นต้นก็ไม่ไม่ล่วงละเมิดสินทั้ง5้าเลยนะครับบางคนนี่ก็โหถือว่าเป็นนักศึกษามามกว้างขวางจะไปกินเหล้าได้ยังไงอะไรเป็นต้นเนี่ยนะส่วนวิรัติที่เกิดแก่ผู้สมาทานศิขาบทมาก่อนแล้วแม้สละชีวิตของตนที่มีคุณค่ายิ่งกว่าศิกขาบทนั้นก็ไม่ล่วงละเมิดวัตถุ เพราะสมาทานศิขาบทไว้ชื่อว่าสมาทานวิรัตนะครับก็คือรักษาศีลเสมอด้วยชีวิตนะครับตั้งใจสมาทานแบบนั้นแหละเรียกว่าสมาทานวิรัตแต่วิรัตที่สัมปยุต ด, ด้วยอริยมรรคชื่อว่าสมุดเฉตวิรัตนะครับบางทีก็เรียกว่าเสตุคาตวิรัตก็ได้นะครับซึ่งเริ่มแต่เกิดขึ้นแล้วแม้คิดว่าเราจะฆ่าก็ไม่เกิดแก่พระอริยบุคคลทั้งหลายว่าตัดสะพานเลยนะครับ เพราะว่าผารยาบุคคล น, นี่นะครับพอเป็นภารยะแล้วจิตที่จะให้ล่วงละเมิดศีลห้าเหล่านี้เนี่ยไม่มีเด็ดขาดนะครับบรรดาวิรัตทั้งสามอย่างในทีนี้ท่านประสงค์เอาสมท า, านวิรัตนะครับคือในสูตรเนี่ยนะพูดพูดถึงพ่อหรือลูกเป็นต้นที่มีศีลมีธรรมนั้นเอาหมายถึงพ่อหรือลูกที่สมท า, านศีล น, นั่นเองนะครับมีคนเขาว่าประเทศไทยเมืองพุทธนี่แหละครับที่ฆ่าสัตว์กันมากเหลือเกินจังเพราะว่ามี สัว์หลายชนิดนะครับสูญพันไปจากประเทศไทยเนี่ยนะฮะ <c oughs> แต่เมื่อเราเร า, เราดูภาพจากทีวีจากอะไรก็ตามเนี่ยใน อ, อินเดียนะฮะเขายังมีสัตว์มีนกยุงมีอะไรที่เดินกันป้วนเปี้ยนอยู่นะฮะเอ๊ะมันก็แปลกเดนะ่งกันเธอไม่ใช่พูดให้ฆ่านะครับแต่ขณะที่เขาฆ่าจิตไม่เป็นพุทธเลยนะครับเนี่ยนะจิตเพราะว่าจิตไม่เป็นพุทธะอะไรเลยนะในขณะฆ่านี่นะแล้วก็คนที่ฆาก็ ขณะนั้น น, นก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอะไรนะครับแสงธรรมแห่งพระองค์นี้เข้าไปไม่ถึงเลยที่จริงเขาเป็นคนที่ไกลจากพระพุทธเจ้าโดยส้ำไปในขณะนั้นนั้น น, น, นะครับแต่ก็เอาใบทะเบียนสมโนโครวัวมาอ้างว่าชาวพุทธนะครับก็สร้างความเสียหายให้แก่ให้แก่ตัวเองนั่นแหละครับพระพุทธเจ้าท่านไม่เสียหรอกท่านบริสุทธิ์แล้วท่านพ้นแล้วนี่ก็อย่างว่านะครับเนื่องจากศึกษากรร ม, มสกตาเป็นต้นไม่ดีอะไรนะครับ มันก็เป็นโทษนะครับถ้าพูดไม่ดีก็เร้าอีกนั่นแหละครับในฐานะสัมมนแล้วไม่แนะนําสั่งสอนเขา่ น, นะโทษพระนั่นแหละทีนี้ว่าโดยอารมณ์นะครับอารมณ์ของของศีลทั้งหลายเนี่ยนะครับอารมณ์ของปานาติบาเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ของปาณาติปาตาเวรมนีคือหมายถึงว่าถ้าผิดศีลเพราะอารมณ์ใดการงดเว้นก็เพราะมีด้วยอารมณ์นั้นนั่นแหละด้วยว่าขึ้นชื่อว่าการงดเว้นจะมีได้ ก็เพราะมีสิ่งที่จะต้องล่วงละเมิดนั่นเองอันหนึ่งกุศลธรรมเหล่านี้ที่มีชีวิตตินซีนั่นเองเป็นอารมณ์ย่อมละความทุศีนทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นได้เหมือนอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ย่อมละกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเจตนาที่งดเว้นก็ต้องมีเนี่ยนะครับมีสัตว์เป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์ทีนี้โดยเวทนานะครับเวรัตทั้งหมดเป็นสุขเวทนาทั้งนั้นนะครับด้วยกุศลเนี่ยนะ มหากุศลนี่ก็เป็นสุขเวทนาคําว่าสุขในที่นี้ก็รวมถึงอุเบกขาเวทนาด้วยทีนี้ว่าโดยมูลนะครับโดยมูลกุสลธรรมเหล่านี้ของผู้ที่เวน้นงดเว้นเนี่นะเว้นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยยานมีมูลสามนะครับยาณสัมปยุทธ์เนี่ยนะมีอะไรบ้างพนะนะครับยาณสัมปยุทธ์มีมูล3มคืออโลพาอโทสะและอะโมหามูลนะครับ สำหรับผู้ที่งดเว้นด้วยจิตที่เป็นญาณวิปยุต์ก็มีมูล2คืออโลภมูลอะโทสะมู ล, มลเพราะไม่มีปัญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมูลของศีลเนี่ยนะครับมีมูล3ก็มีมีมูล2ก็ ม, ม, ม, กมีทีนี้ถ้าว่าโดยกรรมละ่ะการงดเว้นจากมุสาวาตเป็นวจีกรรมส่วนที่เหลือเป็นกายกรรมกายกรรมนีนะโดยกรรม น, นะทีนี้ถ้าว่าโดยการสมาทาน ผู้ไม่ได้รับการสมาทานนั้นในสำนักของผู้อื่นที่เป็นคารุษฐานิยะบุคคลสมาทานศีห้ด้วยตนเองเป็นเอกัตชฌสมาทานหรือปัจเจกะสมาทานก็ย่อมเป็นอันสมาทานแล้วคือแม้แต่สมาทานด้วยตัวเองก็ได้นะศีห้เนี่ยนะสมาทานด้วยตัวเองหรือว่าสมาทานรวมทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าแยกสมาทานทีละข้อทีละข้อก็ได้ เช่นว่าข้าพเจ้าขอสมาทานรักษาศีลห้าอย่างนี้ก็ได้เรียกสมทานรวมเอกชาติสมาทานหรือถ้าจะแยกว่าข้าพเจ้าเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการรักทรัพย์ข้าพเจ้าเว้นจากการประพฤติผิดในการรมข้าพเจ้าเว้นจากการดื่มน้ําเมาเป็นต้นเนี่ยนะก็ท่านอธิบายว่านะครับ ว่าโดยการขาดเนี่ยนะครับสำหรับครืหัดทั้งหลายสิกขาบทที่ล่วงเกินแล้วจะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นเท่านั้นนอกนี้ไม่ขาด น, นะถ้าถ้าถามว่าต่างกันยังไงใช่ไหมครับว่าระวางสมาทานรวมกับสมาทานแยกเขาอธิบายว่าคือถ้าของคารวาเนี่ยนะครับถ้าบางอาจารย์นะเาอธิบายอย่างนี้นะถ้าสมาทานรวมถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งขาดหมด เหมือ น, นอะไรเป็นพวงๆนะถ้าขาดที่ใดที่หนึ่งมันก็หลุดหมดเหมือนกันเถอะแต่ถ้าสมาทานแ ย, ยกเป็นข้อๆเหมือนกันแต่ขาดข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นๆก็เหลือไปอย่างเงี้ยอันนี้เขาว่ามานะครับ <S <S ผมก็คนอยู่เหมือนกัน <S <S ะนะครับแต่ทีนี้เฉพาะตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบายว่าสําหรับคารวาสนะครับตามคัมภี์นะบอกว่าสําหรับคารวาสทั้งหลายเนี่ยนะครับสิกขาบทใดที่ร่วงเกินแล้วก็จะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นๆเท่านั้นนอกนั้นไม่ขาด แต่ว่าให้เห็นว่าสมาทานแยกก็ได้สมาทานรวมก็ได้นะครับถามว่าเพราะเหตุไรเพราะครหัตทั้งหลายมีศีลไม่เกี่ยวเนื่องกันคือเป็นปัจเจกะสมาทานเพราะศีขาบทที่สา ม, มารถรักษาได้เท่านั้นส่วนสําหรับบรนประชิดล่วงละเมิดศีขาบทเดียวก็ขาดหมดเลยโดยเฉพาะสามเณร น, นะพูดถึงสามเณรเนี่ยนะครับสามเณรถ้าขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดหมดนะครับนี่เฉพาะหนึ่งหนึ่งถึงห้ารูครับหรือว่าทุกข้อเลย คือถ้าหนึ่งถึงห้าของสามมณีขาดนะข้อใดข้อหนึ่งมันก็ขาดหมดแล้วนะครับอก็เพราะว่ามันชื่อว่าปราชิตใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าไอ้ที่หลังหลังจากข้อห้าไปอ่ะอ่ะอันนี้ก็ไม่ไม่อยู่ในตรงนี้ไงแต่นี้พูดถึงศี่ห้าของบันปราชิตนะครับอครับครับตอนนี้พูดถึงหนึ่งถึงห้าแต่แต่เรื่องชาวบ้านนะยังยังกลุ้มเกลื้อยอยู่นะระหว่างที่ว่าสมาทานแบบรวมหรือสมาทานแบบแยกเนี่ยนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะท่านบอกว่า ศีลของคารวาะไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคือรักษาเฉพาะสิกขาบทที่สา ม, มารถรักษาได้เท่านั้นอท่านว่าอย่างนี้นะครั บ, ร บ, รบรไปพิจารณาเอากันแล้วกันอนีบางคนผมก็ได้ยินว่ามันอุปมาเหมือนกับเรามีสตังห้าบาทเนี่ยนะคือถ้าสมาทานรวมเนี่ยเรามีเหรียญหย้าอยู่หนึ่งเหรียญวางกันนะครับถ้าสมาทานแยกเนี่ยคือใช้คําว่าวิสุงวิสุงอะไรเงี้ยเวลาสมาทานนะครับก็เหมือนกับว่าเรามี เงินเหรียญบาทอยู่ห้าเหรียญนะฮะถ้าหาว่าเหรียญหนึ่งเหรียญใดมันหล่นไปมันก็ยังมีสี่เหรียญหรือว่าสามเหรียญที่เหลือนะครถ้ามีเหรียญห้าก็คือหายก็คือหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับแต่นั้นเป็นความเข้าใจของเขาอ่ะนะถ้าฟังก็ดูดีนะแต่ว่าดูตรงหลักฐานเท่าไหร่แต่ผมตามความเข้าใจของผมแล้วนะครับถ้าหากว่าบอกว่าเอะฉันถ้าฉันกินเหล้านะก็ยังเหลืออีกตั้งสี่ข้ออย่างเงี้ยนะคือ ก็พยายามไปคิดให้ดีว่าศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะครับถ้าจิตคิดเป็นอื่นเนี่ยก็เป็นอกุศลไปก็ไม่ใช่ศีล น, นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นบางบางบางอย่างที่วินิจฉัยฟังไปฟังมาก็เหมือนกับว่าฉันทําผิดแล้วก็โทษไม่มากว่างั้นเถอะนะก็าหาเหตุผลโดยประการต่างๆมาว่ากล่าวกันให้เห็นว่าสมมาณะเพศที่ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเห็นแก่ปากแก่ท้องหนักๆเข้าบาปประธทับทั้งหลายที่คารวะญาติโยมเนี่ยนะครับ เขาทําก็ยังส่งเสริมว่าไม่เป็นไรอีกนะครับพระองค์ก็ตรัสนะว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์มาทําบุญก็ได้บาปมากกว่านะครับได้บาปด้วยเหตุท่านะครับในชีวะกะสูตรมชัชมินิกาย น, นะครับเพราะฉะนั้นน่าสลดสังเวทใยจยว่าพระภิกษุที่ไม่ได้ศึกษานี่นะครับก็เป็นโรคระบาดไปถึงญาติถึงโยมถึงลูกถึงล้านนะครับก็สร้างความเสียหายมหาศาลนะครับหนักๆเข้าทําบาปทํากรรมก็ยังว่าไม่บาปไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปเป็นกรรม อย่างก็ว่าหลอกลวงกันแล้วพระพูดคําว่าไม่บาปแล้วมันไม่บาปอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นบาปมันก็คือบาปนะครับถึงใครจะบอกว่าไม่บาปมันก็บาปอยู่ดีนั่นแหละครับข้าสัตว์กเนี่ยนะจาฆ่าด้วยเหตุผลใดมันก็บาปทั้งนั้นนั่นแหละเพราะเจตนาอนะันนั้นมันมีโทษอ่ะนะครับเป็นไปกับโชซะแต่ทีนี้เนื่องจากพระสงฆ์องค์้าเจ้าหรือว่าลูกหลานของเราที่เข้ามาบวชกันไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานี่นะครับบวชนานๆเข้าเป็นตุพีตุพ่อตุอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ เราสร้างความเสียหายมากมากนะครับเป็นมรดกบาปที่จะตกถึงลลกถึงหลานต่อไปทีนี้มาดูอา น, นิสงค์ของการงดเว้นจากการทําบาปทั้งหลายนะครับอา น, นิสงค์ของการรักษาศีลเนี่ยนะเช่นตาณาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะถ้ารักษากุศลเจตนาเหล่านี้ได้จะได้รับอา น, นิสงค์อะไรบ้างนะครับกล่าวว่า ก็คืออังคะปัญจังคะสมนาคตาความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่ก็คิดดูนะว่าถ้าคนไม่มีศีลก็ไปฆ่าเขาก็ตัดมือตัดไม้เป็นต้นใช่ไหมครับก็ทําไปให้อวัยวะของเขาทั้งหลายเนี่ยขาดไปทีนี้ถ้ารักษาศีลเนี่ยนะครับเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเขาอะนะ เพะฉันก็ไม่ได้มีเจตนาไปตัดมือตัดไม้ตัดคอตัดหัวตัดอะไรคนอื่นเลยก็ทําให้ตัวเองนี้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่คือหมายถึงพร้อมด้วยอวัยวะนะครับไม่เป็นคนพิกงพิการเป็นต้นนั่นเองนะครับมาเกิดในที่ไหนก็ไม่เป็นคนพิการนะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาฆ่าเนี่ยถ้าฆ่าปลาฆ่าไก่หรือฆ่าอะไรก็ตามแต่นี่มันก็จะต้องมีทําให้อวัยวะเนี่ยนะครับไม่สมประกอบใช่ไหมครับสัตว์จึงจะตายมันก็ทําเหตุอ น, นันต์ไปนะครับ ถ้าอย่างต่อไปก็บอกว่าอโรหะปรินาหะสัมปติความถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างนะครับว่าให้เป็นคนสง่างามอะไงี้ยเถอะทารักษาศีลข้อนี้ดีนะไม่ฆ่าสัตว์ก็ทําให้เป็นคนสง่างามนะครับถ้าหาว่าฆ่าก็ไม่สง่างาม น, นะต่อไปก็ชาวนะสัมปติความถึงพร้อมด้วยชาวนะไหวพริบนะครับคิดดูนะว่า คนที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับเวลาเจตนาจะาฆ่าเนี่ยนะครับทําให้สัตว์เนี่ยนะตกตะลึงพึงเพลิดถึงความกลัวเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าโดยปกติธรรมดาแล้วสัตว์ก็ไม่กลัวก็มีปฏิพานไหวพริบเพราะฉะนั้นเจตนาที่เว้นจากการฆ่าเนี่ยเธอทําให้มีชวนะมีปฏิพานมีไหวพริบนะครับฉเฉลียวฉลาดเนี่ยนะครับคิดอัดก็ได้รวดได้เร็วเนี่ยนะครับแต่ก็คิดดูนะถ้าคนไปฆ่าเนี่ยนะสัตว์เนี่ยมันหวาดระแวงนะครับ ต่อไปนะครับสุปฏิทิิตะปาทตาความเป็นผู้มีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมคือสมควรมีเท้าขนาดไหนแต่เวลาจะค่านนะคนบางคนเวลาจะฆามันต้องย่อตัวลงใช่ไหก็ทาเหตุนะย่องทาโยอะไรนะก้มลงอะไรลงเป็นต้นเนี่ยก็เลยทําให้เท้าเนี่ยนะครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเท้าไม่ค่อยเสมอกันเป็นต้นเนี่ยให้รู้ว่าเออนี่นะ เสร็จเศจกรรมของปาณาติบาตทําให้อวัยวะในด้านเท้าเป็นต้นพิกงพิการไปผมมีปัญหาชาวนะไม่ค่อยจะแล่นอะไรเนี่ยแสดงว่าฆ่ามาเยอะเลยไม่ใช่ผลบุญมั้งเนาะ <c oughs> นะครับต่อไปบอกว่าจารุตานะครับทําให้สวยงามคิดดูนะว่าคนสวยงามเนี่ยก็ดูนะถ้าเช่นเวลาคนจะฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับสัตว์เวลาจะถูกฆ่านี่ก็เป็นยังไงครับสวยงามไหมครับสะดุ้งหวาดกลัวใช่ไหมคือคือ ผู้ที่ถูกฆ่าก็สะดุ้งหวาดกลัวไม่สวยเลยนะครับตกอกตกใจเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตก็จะทําให้สวยงามทรรมุทิตาก็อ่อนโยนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเจตนาของปาณาติบาสมันหยาบกระด้างใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเว้นจากปาณาติบาตก็ทําให้เป็นคนอ่อนโยนนะครับมุทุตาเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็สุจิตาก็สะอาดเนี่ยนะ คือถ้าเวลาฆ่าเนี่ยนะเราก็ดูนะว่าสกรปรกนะครับเช่นเลือดเป็นต้นมันสาดมันกระเด็นถูกลระคาปลาก็กลิ้นขาวปลาขาวอย่างอื่นมันก็คละคล้๊ไปหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเว้นก็ทําให้สะอาดนะนั้นเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นเหตุให้เป็นคนสะอาดนะครับแล้วก็สูรตาก็กล้าหาญคือทําไมจึงกล้าหาญครับเพราะเวลาไปฆ่าเนี่ยสัตว์เนี่ยกลัวใช่ไหมครับเมื่อสัตว์กลัวเนี่ยนะมันก็ทําเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้น คนที่มักกลัวบ่อยๆก็แสดงว่าเป็นผลของปาณาติบาตคนที่กล้าก็แสดงว่าผลของปาณาติบาตให้ผลก็ทําให้เป็นคนกล้านะครับต่อไปก็มหาภลตาความเป็นผู้มีกําลังมากนะครับเห็นไหมเว้นจากปาณาติบาตเนี่ยนะคือการฆ่าเนี่ยไปตัดรอนกําลังสัตว์ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเว้นจากการฆ่าก็เท่ากับว่ า, าบำบังรุงกําลังให้สัตว์เนี่ยนะเพราะให้เป็นอภัยทานใช่ไหมก็เป็นเหตุให้ตัวเองมีกําลังมากนะครับ เพราะข่านี่มันตัดรอนกำลังศัพว์ใช่ไหมทีนี้ต่อไปวิสัทธวจนะตาความเป็นผู้มีถ้อยคาสละเสรยคำพูดสั่งค่าเนี่ยมันเป็นถ้อยคาที่หยาบคายนะครับเป็นถ้อยคาที่น่าหวาดสะดุ้งเพราะฉะนั้นคนที่เว้นหรือรักษาศีลอันนี้ก็จะทำให้มีวาจานิสละเสรยนะครับคำพูดน่าฟัง น, นะนะ ต่อไปนะครับสัตตานังปิยมนาปตาความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะเห็นเพชฌาตมานีย่ยิ้มต้อนรับนะครับยากนะแตนี้ถ้าหากว่าเห็นนักบุญมาเนี่ยนะโดยธรรมดาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนั้นคนมีศีลเนี่ยจึงเป็นที่น่ารักน่าพอใจของสัตว์ทั้งหลายนะครับไปที่ไหนมีใครชอบเลยก็แสดงว่าไม่ใช่ผลบุญแน่นอนนะครับประเภทปาณาติบาตมาง่ายๆเลย ทีนี้ต่อไปนะครับอะพิชชาปริสตาความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกกันสมมติว่าปลานี่มาเป็นฝูงใช่ไหมครับถ้าเราไปฆ่าตัวใดตัวหนึ่งนี่มันแตกเฮ้ยไปหมดเลยใช่ไหมหรือนกเป็นต้นเนี่ยนะยิงมันก็แตกฝูงไปนะครับฆ่าคนเนี่ยนะเช่นใครฆ่าใครเนี่ยนะครับคนเนี่ยแตกเฮ้ยไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุเนี่ยทําถ้าใครที่ทำปนานาติบาศก็ทําให้บริษัทแตกแยกกัน แต่ถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็ทําให้บริษัทบริวารเป็นต้นไม่แตกแยกกันมีครอบมีครัวครอบครัวก็ไม่แตกแยกกันบ้านไม่แตกสแรกไม่ขาดลูกไม่พลากจากพ่อแม่เป็นต้นเนี่นะครับอันนี้ก็ทําให้ศีลนั้นนี้ดีต่อไปคนละทิศคนละทางก็ไม่ใช่ผลบุญแน่นะครับต่อไปนะครับอะฉับพิตาความเป็นผู้ไม่หวาดสะดุ้งไม่หวาดเสียวเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะเวลาฆ่าเนี่ยนะสัตว์ก็หวาดเสียวใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดสะดุง้งสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดเสีย ว, ย ว, เ, ยวเวลาจะนําไปฆ่านะ เพราะฉะนั้นคนที่เว้นหรือรักษาศีลอันนี้ก็จะทําให้เป็นคนที่ไม่หวาดเสียวนะครับต่อไปก็ทุบประทังศีตาความเป็นผู้อันใครๆกําจัดได้ยากก็เคยไม่เคยคิดจะกําจัดใครเลยนะครับนั้นเจตนานั้นก็เลยทําให้ใครกําจัดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าคนที่คิดจะกําจัดคนถูกกําจัดก็แสดงว่าผิดศีลผิดธรรมเหล่านี้มามากบทว่าป ร, รู ป, ปักระเมนะอมรณตาความเป็นผู้ไม่ตายดับด้วยการปองร้ายของผู้อื่น นะครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์นี้เนื่องจากรักษาศีลข้อนี้ดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะปองร้ายจะเข็นฆ่าพระองค์ก็ไม่ไม่ดับขันปริณิพานเพราะคนอื่นเข็นฆ่าเพราะศีลอันอนี้ดีแต่ถ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยผลที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะผลอันนั้นก็เลยทําให้ท่านเนี่ยถูกทุบถูกฆ่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาศีลดีเนี่ยนะครับผลของศีลก็ไม่ไม่ทําให้ตายเพราะการปองร้ายจากผู้อื่น ทีนี้ต่อไปนะครับว่ามหาปริวารตาความเป็นผู้มีบริวารมากเออนะถ้ารักษาศีลดีข้อนี้ทําให้มีบริวารเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไปผิดศีเนี่นะมันคนมันแตกแยกกันใช่ไหมครับบริษัทกระจัดกระจายไปหมดผลบริวารก็จะห่างไกลไปเรื่อยเหมือนกันนะต่อไปนะสุวรรณตาความเป็นผู้มีผิวพันธ์ดั่งทองางามเหมือนนะทําให้เป็นคนงามนั่นเองนะครับ ต่อไปก็สุสันตานตาความเป็นผู้มีสวดทรงงามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปฆ่าไหมไม่ไม่ผ่าเผยหรอกครับมีทั้งตะแคงเนี่ยดูอิริยาบถของทหารเวลาจะรบกันใชครับโอทั้งโกง่งทั้งโคง้งทั้งหลบทั้งเลียงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ตอนฆ่านะครับเหตุตรงนั้นเนี่ยทำให้สวดทร ง, งไม่งามนะครับบางคนเนี่ยนะเวลาเห็นผลของบาณปฏิบัติมาเกิดมาเป็นคนบิดบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลนี่ดีก็จะทำให้สวดสงางามที่กล่าวถึงทหารเมื่อกี้เนี่ยหมายถึงว่าอิริยาบถเวลาจะฆ่านะว่าอิริยาบถเวลาจะฆ่าเนี่ยนะครับไม่งามเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำเหตุที่ไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีนะครับแต่ถ้าที่ไม่ได้มาเกิดเป็นทหารสวดสงงามก็แสดงว่าผลของศีลของธรรมนะนี้ถ้าหากว่าไปทำอาศัยผลของบุญไปทาบาปนี่ก็ก็น่าเห็นใจนะนะครับ เอาบุญมาต่อบาปว่า ง, งั้นเอาผลของบุญมาต่อบาปไปอีกก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาศีลเว้นจากปานาติบาก็จะทําให้เป็นคนมีสวดส ง, งา่าบทว่าอัปปาทตาความเป็นผู้มีอาภาษน้อยนะครับทําไมครับเพราะว่าคนเวลาไปฆ่าสัตว์เนี่ยนะบางคนก็ถูกฆ่าบางคนก็ถูกเบียดเบียนเป็นต้นใช่ไหมครับเวลาอย่างวางระเบิดเป็นต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายทุกคนเนี่ยบางคนก็พิกรพิการเป็นต้นเนี่ยนะ บางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลอันนี้ดีก็ทำให้ไม่อาภาพเพราะว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะไรเลยให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นเว้นจากการฆ่าก็ทำให้เป็นเหตุไม่ป่วยไม่ไข้ต่อไปนะอัศโกตาความเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะว่า สัตว์ทั้งหลายที่เวลาไปฆ่าตัวใดตัวหนึ่งสัตว์ที่เหลือก็จะเศร้าโศกใช่ไหมครับทำให้สัตว์เศร้าโศกกันตัวเองก็ต้องเศร้าโศกด้วยนะถ้าฆ่าเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลดีก็ไม่ต้องเศร้าโศกปิยมนาเปหิอวิปโยคตาความเป็นผู้ไม่พลาดพลากจากของรักของชอบใจนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าก็คือไปพรากจากสัตว์ทั้งหลายที่เขารักเขาชอบใจเนี่ยนะเช่นไปพรากพ่อพรากแม่เขาอะนะครัไปฆ่านกฆ่าอะไรทั้งหลายก็พรากพ่อพรากแม่นกเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเว้นจากการฆ่าก็ทําให้ไม่ต้องพลาดพาดทีนี้ทีคายุตาก็ทําให้เป็นคนมีอายุยืนถ้ารักษาศีล น, นี่ดีนะครับที่สรุปรวมเนี่ยนะครับเขียนเขียนก็ประมาณ22่อข้อ น, นะครับแต่ท่านบอกว่าเป็นต้นนะไม่ได้มีแค่นี้หรอกนะครับ